พระธรรมเทศนาลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าปลดเกษียณทางโลกหันคันโยกสู่ทางธรรมวันก่อนก็นไปเทศอยู่ที่ค่ายไปค่ายเสเสลีหลุนยุทธตอชรอง น, นันก็เมื่อเทศจบก็ถวายการเทศมามื่น หมื่นสามพันกว่าบาท嘛เออเอามอบให้ทางกองผู้กำกับ ก, กับคณะนะเอาไว้ใช้ในค่ายแล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อได้พูดตั ว, วเทศหลวงพ่อว่าพวกเราท่นทานทั้งหลายทำงานสวนรัศการมามากทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมามากทั้ง มันก็จะดีทุกอย่างเขาคงเป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่ก็คงจะเป็นดีส่วนมากบางครั้งก็มีถลํมไปบ้างเพราะคนเราจังมีกิเลสโรบโกรธหลงอยู่มันก็ต้องมีจะให้ขาวสะอาดทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้คงจะมีดำมีด่างบ้างแต่ละคนบางที ก, ง ก, งก็บางคนก็ดำด่างมากบางคนก็ดำด่างมอน้อยขาวเป็นส่วนมาก แต่ทั้งยังไงก็ได้ผ่านมาแล้วได้ทำงานให้ประเทศชาติมาแล้วมันดีมันกระดีมาแล้วมันเรวมันกระเร็วมาแล้วแต่มันกระดีเป็นส่วนใหญ่เราได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ช่วยเหลือชีวิตของพี่น้องประชาชนมามากต่อมากบัดนี้ถึงคราวของเราจะต้องกเกษียณอายุราชการเราก็ต้องเมื่อกเกษียณแล้วเราจะไป เสียใจนะบางคนออกจากราชการมาแล้วกันนะเนี่ยเศร้าซึมง่อยเหงาเศร้าซึมคิดถึงงานอันนั้นมันไม่ไม่ถูกคือหน้าที่ของเราทำจุดไหนก็ททำจุดนั้นเมื่อผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปแล้วเราก็ต้องหางานใหม่เข้ามาทำงานใหม่คืออะไรก็คือเนี่ยในสมัยนั้นเมื่อก่อนนานนี้เราทำการทำงาน เรามกมุ่นในการทำงานหาเลี้ยงชีพหาเงินหาเงินหาทรัพสมบัติเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงร่างกายหาปัจจัยสี่พูดง่ายๆหาเงินมาเพื่อเลี้ยงให้เป็นปัจจัยสค่าอาหารค่ายาแก้โรคภัยไข้เจ็บค่าที่อยู่อาศัยค่าผ้านุ่งหง่มอันนี้บอกปัจจัยสี่ แต่บัดนี้พวกเราหามาพอสมควรแล้วแต่คงข า, ขาดถูกปกป้องหาอาหารเข้าสู่ใจอาหารใจกับอาหารกายไปเหมือนกันนะอาหารกายเนี่ยคือข้าวน้ําโภชนาอาหารอย่างที่ว่าแต่อาหารใจอีกต่างหากแต่นี้บัดตะก่อนหน้านี้เรา ม, มุ่งหนนในการทํามาหาเลี้ยงชีพเพื่อหาอาหารกาย แต่บนี้เมื่อเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราจะไปมกมุ่นได้ยังไงพ่อหามาแล้วจุดนั้นมันรวยก็คงจะรวยมาแล้วหละมันก็คงจะขนาดที่เกิดมาพบนิชานตนนี้ต่อไปเราคงควรจะหาอาหารเข้าสู่จิตใจเราควรจะเป็นความรู้สึกของเราเข้าสู่ธรรมะจะทำยังไงอาหารเข้าสู่จิตใจอันนี้ต้องศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องศึกษาทั้งนั้น เราจะจะเป็นครูเราก็ต้องเรียนวิชาครูเราจะเป็นทหารเราก็ต้องเรียนวิชาทหารตำรวจอายการทุกแขนงเราต้องเรียนวิชาหน้ั้นแต่เนี่ยเราจะจะศึกษาวิชาธรรมะเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจเราจะไปเรียนวิชาทั้งโลกวิระวิชาการนิสร์อยางนั้นน่จะมารู้วิชาธรรมะได้อย่างไรเราก็ต้องเรียนวิชาธรรมะต้องอาศัยการศึกษาอาศัยการได้ยินได้ฟัง ฟังครั้งนั้นบงังฟังครั้งนี้บงังธรรมะคืออะไรทำไมพระพุทธเจ้าจึงนี้ออกบวชทำไมพระอรหันต์ทั้งหลายหรือบอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านทำไมจึงอยู่ในป่าดงพงไพยท่านศึกษาเรื่องอะไรอันนี้แหละเราก็ต้องศึกษามีหนังสือถึงเยอะแยะมีตำราถึงเยอะแยะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามการศึกษาถ้าศึกษาถู ก, ถกที่ถูกทางมันก็ดีนะ ถ้าจุกสามศึกษาไม่ถูกที่ถูกทางก็ทําให้ไข้เข้ได้เหมือนกันออย่างไปพบพระบางองค์เป็นพระมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ท่านกลว่าท่านเป็นสัมมาทิฏฐินะ่ะแต่ดูดูแล้วดูวกับกิริยาแล้วมันไม่ใช่มิสัมมาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดออย่างนี้เราก็เข้าไปคบค้าสมาคมโดยที่เราไม่ได้ศึกษากว้างขวางะ กว้างขวางก็คืออะไรให้ศึกษาปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านพาทำอย่างไงหลวงปู่ล่าหลวงตามหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นครูบาอาจารย์ท่านเหล่านี้เป็นมหาเถระเนี่ยท่านทําอย่างไรทําไมเราจึงให้เชื่อถือท่านเหล่านั้นเพราะว่าท่านผ่านไปแล้ว อธิธาต์ของท่านกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นประจักเป็นพระจักพยานว่านี้คือกระดูกของพระอรหันต์ที่ท่านปฏิบัติเลยเราก็ต้องศึกษาแนวทางของท่านว่าท่านภาปฏิบัติอย่างไรทําอย่างนั้นไหมทําอย่างองค์คนที่ทําอย่างนั้นไหมองค์ที่ทําอย่างนี้หลวงปู่ฟัานหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบุญทํามไหมถ้าไม่ทําก็จะแสดงว่าองค์นั้นออกนอกลูก่นอกทาง ไม่ใช่แนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่แนวทางที่เป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องมาทบทวนไข้ควรดลวจากนั้นก็ดูในพระไตรปิฎกเสริมเข้าไปอีกอันนี้ก็คือเราจะได้เดินถูกทางพอเราจะเกิดมาสุดท้ายภายหลังเราจะไปปักเชื่อจุดใดจุดหนึ่งคนใดคนหนึ่งไม่ได้เราต้องฟังให้กว้างๆๆนะ อย่างหลวงพ่ออินกัำลังพูดเยอะด้ยวยเนี่ยนะจะมาเชื่อหลวงพ่ออินทีเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันพวกท่านทั้งหลายต้องเอานําไปไปวิเคราะห์ไปคิดเปรียบเทีย บ, ยบ อ, อจากนั้นย่งค่อยลงใจปักใจเพราะในพระในครั้งพุทธการเห็นไหมในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าแต่แท้ๆพระเทวทัตยังมีผู้ที่ไปเชื่อพระเทวทัตตกนรกก็ไม่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันตกนรกหมกไม่มากต่อมาก ในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเพราะเป็นหมู่เทวทัตเนะี่ยอย่างหลวงปู่ขาวท่านท่านว่าท่านอึกชาติได้แท่านบอกว่าชาติครั้งพุทธกาลท่านก็ได้เกิดในในศาสนาของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ท่านเป็นลูกน้องพรนะะโกกาลิกะหลวงปู่ขาวท่านว่ากันนะพระโกกาลิกะก็คือเป็นลูกศิษย์ของพระเทวทัตเอ้ แต่ตอนนี้ท่านเป็นลูกทุกขิทุก์ของพระโกเลกกาเลกกะทําให้ท่านเนิ่นช้าไปใช่ไหมทำให้ท่านเสียเวลาไปปัจจุบันี้ท่านมาเกิดในจุกนี้ท่านได้ปฏิบัติท่านยังรำลึกชาติทุนหลังได้เนะอันนี้หลวงปู่เขาหลวงปู่ขาวท่านพูดนะนี่แหละอันนี้ก็ดหลวพ่อเองเกิดไม่ได้ยินจากปากท่านออกแต่ว่าได้ยิน ค, นคนที่พูดออกมาฮะนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าหากว่าเราเดินทางผิดนะ ยึดครูบาอาจารย์ผิดที่ผิดทางก็ทําให้หลงเป็นมิจฉาทิฏฐิตกนรกหมกไหม้ไปได้เหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาอันนี้หลวงพ่อพูดให้เป็นแนวกว้างขวางให้เป็นพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาสุดท้ายภายหลังให้ฟังโดยเฉพาะยันยิ่งธรรมเทศนาของหลวงตามหาบวัวเนี่ยนี่แหละเป็นแนวทางแห่กลางคือตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้าให้พวกเราอยู่ที่นั่นาถรรพ์ที่ใดให้ฟัง ให้ตั้งใจฟังฟังสักกันหนึ่งแต่ละวันอย่าได้ถ้าเป็นไปได้เปิดถ้าก็นั่งฟังดีๆฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจถ้าอย่างนั้นจะเกิดปัญญา ส, สุสังลัสะเตปัญญงผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถ้าฟังไปแล้วก็ทั้งกินทั้งหลับทั้งนอนไปด้วยผลที่สุดก็เลยดื้อด้านต่อการฟังฟังไปเท่าไหร่ก็ดื้อด้าน เหมือนกับดินมันด้านเนี่ยสาดน้ำํำทะเลก็ไม่ลงครับมันก็ไม่ซึมซับเข้าไปสู่จิตใจเพราะอะไรเพราะมันด้านเนี่ยธรรมะพอเหมือนกันนะถ้าเราตั้งใจฟังเปิดประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดฟังฟังเข้าสู่จิตใจหลวงตาท่านมีสอนธรรมเทศนาอะไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นกฎเป็นเกณฑ์น่ยท่านทําท่านแสดงธรรมอย่างไรให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา แต่เมื่อพวกเราได้ฟังได้ศึกษาเท่นี่เราก็ลงมือปฏิบัติด้วยถ้าลงมือปฏิบัติไปแล้วนั่งภาวนาตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนใจของเราก็สู่ความสงบเป็นสมาธิเท่นี่เมื่อปจิตใจเป็นสมาธิจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละท่นี่ใครจะพูดยังไงก็ได้ฟังได้ทั้งหมดเหมือนกับเสียงนกเสียงหนูเสียงหมูหมากาไก รอกกระแตมันร้องอย่างไงเราฟังได้หมดแต่เราไม่ได <sm ้ถือว่าเป็นสาระไม่ได้ถือว่าเป็นที่พึ่งเพราะใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วมันจะเชื่อในตนเองทเลยอันไหนเป็นอันไหนอันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นวินัยอันไหนเป็นถูกต้องอันไหนมันผิดเนี่ยเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเลยเมื่อจิตของเราเขาสู่ความสงบแล้วนี่แหละอันไหนจะเป็นพิษเป็นภัยอันไหนจะเป็นโทษมันจะรู้ได้เพราะฉะนั้น อันดับแรกก็ต้องอาศัยการศึกษาอาศัยการได้ยินได้ฟังเสีก่อนแต่ต้องคัดเลือกเลือกเฟ้นออพระในครั้งพระพุทธเจ้ามีมากแล้วก็ผู้เป็นวิจชาทิฏฐิก็มีมากสัมมาทิฏฐิก็มีมากมันมีด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าครั้งนู้นครั้งนี้ขนาดครั้งพระพุทธเจ้าก็ยังมีเทวทัศน์ลูกน้องเทวทัตต่างร้อยร้อยองค์เหมือนกันเพราะฉะนั้นในยุคนี้สมัยนี้ทําไมจะไม่มี เรื่องราวแปลกๆแตกๆต่างๆเทั้งที่หลวงพ่อก็ได้ยินกําลังฮือหาดังกันอยู่บ่อยให้ไม่กราบพระพุทธรูปเพียงเนี้ยไม่ให้กราบพระเนี้ยกราบพระใหม่กราบทองเหลืองกราบปูนกราบหินกราบทรายกราบทําไมกราบไปโง่ทําไมใช่ถ้าเห็นทองเหลืองที่ไหนกราบเลยแสดงว่าไอ้นั้นโง่มากผลที่สุดก็จะต้องส่งเข้าศีรัญญหามหาโพธิ์น่ะ ไปเห็นทองเหลืองที่ไหนก็กราบไปเห็นปูนซีเมนที่ไหนก็กราบไปเห็นก้อนหินที่ไหนก็กลราบแต่เรากล่าบพระ like พ, พุทธรูปเนี่ยรูปเหมือนอยู่ที่หน้าที่พวกตรงหน้าของเราเนี่ยอันนี้คือเป็นรูปของพระพุทธยูปสมมุติขึ้นมาแล้วเป็นสมมุติยกขึ้นให้สูงคือพระพุทธรูปเป็นรูปตัวแทนพระพุทธเจ้าแต่เราก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นสมัยนั้นรูปพระพุทธรูปของพม่าก็ทําอย่างหนึ่งรูปพระพุทธรูปจีนก็ทําอย่างหนึ่ง พระพุทธรูปแต่ละประเทศก็ทำทำตามที่จินตนาการว่ให้สวยที่สุดในความรู้สึกของตนเองแต่พระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็ไม่มีใครถ่ายรูปไว้ในยุค 2,554 ปีให้หลังเพราะฉะนั้นพวกเราประเทศไทยขนาดประเทศไทยก็ยังมียุคอู่ทองก็อย่างหนึ่งยุคสุขโขทัยก็ยุคหนึ่งอยุธยาก็ยุคหนึ่งพระขเขมรก็อีกยุคนึงลบยุค ยุคลบปุรียุคหนึ่งแต่ดูดูก็ไม่เหมือนกันพระพุทธลูปแต่ละยุคเพราะฉนั้นสรุปแล้วก็คือต่างคนในยุคแต่ละยุคของแต่ละคนเนี่ยก็ปั้นขึ้นมาหล่อขึ้นมาว่าให้สวยงามที่สุดถูกต้องที่สุดจากนั้นก็ได้กราบอันนี้คือพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ใช้กราบพระอิฐหินปูนทรายแล้วกราบพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ทาที่ตั้งรู้พระธรรม ได้นำพระธรรมคำสั่งสอนออกมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพวกเรายอมรับว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นนิยาเนกธรรมเป็นธรรมที่นำเมื่อพวกเราประพฤติปฏิบัติแล้วทำให้พวกเรามีความสุขหนีจากความทุกข์ได้จนพ้นทุกข์ในวัฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะนั้นเราจึงได้ยอมรับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อยอ เรายอมรับพระธรรมเราก็ต้องยอมรับพระพุทธคือต้นาศาสดาต้นพระาศาสนาต้นความคิด น, นี่คือพระพุทธเจ้าแล้วเราจะหาที่ไหนพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำเป็นรูปขึ้นมาแต่สมัยนู้นสมัยทาลีบันเขาก็สร้างใส่ก้อนหินสลักก้อนหินก็คงจะใกล้เคียงกันที่มีพระพุทธรูปจากนั้นเราก็ น, นึกเอาเป็นตัวอย่างนั้นออกมา ก็มาหลอมาหลอมมาหลอมจากนั้นเราก็กราบกราบพระพุทธเจ้าอันนี้ค <doo> ือพระพุทธเจ้าเออไม่ใช <c oughs> <c oughs> ่กราบทองเหลืองไม่ใช่กราบอะไรเออถ้าว่าเรากราบอย่างพ่อแม่ของเราตายไปแล้วเนี่ยมีกระดูกของพ่อแม่ถ้าเราไปกราบกระดูกพ่อแม่กระดูกแข้งเนี่ราก็ว่กเขาก็หวังโง่อีกเหมือนกันนะทำไมไปกราบกระดูกแข้งไม่ได้อะไรแต่ถ้าเรากราบพระคุณของพ่อแม่ พ่อแม่มีพระคุณอย่างมากการพระคุณของท่านที่ท่านในเลี้ยงดูเรามาเราได้ธาตุขันมาตั้งแต่ศรีรษะจนถึงฝ่าเท้าเนี่ยเราได้มาจากใครเราได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เป็นผู้ให้เรามาจากนั้นท่านยังเลี้ยงเราดูอีกเลี้ยงดูเราอีกด้วยข้านา้ำโภชนาะอาหารประครบประงมเราจนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากระเนนเรามาจากไหน ถ้าว่าเราไม่ใช่คนอกตัญญูแต่คนอกตัญญูคือคนไม่รู้จักบุญคุณของคนอันนั้นเป็นไปได้แต่ถ้าเรารู้จักบุญคุณของพ่อของแม่เราต้องกราบ เ, เห็นพ่อแม่หยุดแต่ไหนก็กราบหรืออยู่ในใจของเขาเราเราลืกขึ้นก่อนหลับก่อนนอนเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบ้อแล้วเราก็กราบพระคุณของท่านเออพระคุณของบิดามารดาที่เลี้ยงดูข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะทําเป็นคนดีด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทดําดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมสิ่งไหนก็ตามที่เป็นกุศลบุญกุศลที่เกิดจากกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของข้าพเจ้าของขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนพ่อแม่ของข้าพเจ้าให้ประสบจากความสุขความจเจริญท้าวาท่านหลวงรับไปแล้วดวงวิญญาณท่านสินส่สถิตอยู่ณนะทินใดก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลให้ถึง ให้ท่านมีความสุขจริงๆขึ้นไปโดยเทินอันนี้ก็คือกราบพระคุณแล้วก็อุทิศส่วนกุศลแล้วก็น้อมเอาบุญกุศลที่ตรงเองได้ได้ทำมอบให้แก่ท่านไปอันนี้คือกราบพระคุณไม่ใช่ว่ากราบกระดูกแข้งถ้ากราบกระดูกแข้งจะเกิดประโยชน์อะไรกราบปลุกปกราบสามทีแล้วก็จบกราบพระพุทธรูปก็เหมือนกันถ้ากราบอีิฐหินปูนทรายก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้ากราบพระคุณของท่านนะจะมีประโยชน์ บางคนก็บอกว่าไ อ, อ้ที่เขามาแจกอธิธาต์แจกพระธาตุพระพุทธเจ้าพระบรมสารีริกรธาตุจริงหรือเปล่าเนี่บางคนก็มาถามหลวงพ่อเอ้ยจริงหรือไม่จริงก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้จะไปเอาพิสูจน์รอยนะ้ํารือทําอะไรมันเป็นบาปเป็นกรรมนะถ้าเราไม่เชื่อแล้วเอาไปไว้ที่ไหนก็ได้ไว้ที่สูงสูงเอาไว้ที่เคารพถ้าเราเชื่อแล้วก็เออเอาเมากระไฟสักระบูชาเป็นไรไป ถึงจะเป็นก้อนหินแต่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนเราเเราก็กลาบก้อนหินจะเป็นไรไปแต่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราไม่ได้กราบก้อนหินก้อนนี้เราระลึกถึงพระคุณพระคุณพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นคนดีสําหรับญาติโยมให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนานะพระพุทธเจ้าสอนพระธรรมคําสอนอันนี้เรากลับ พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกสัก่อนท่านจึงมีพระธรรมในเมื่อมีพระธรรมแล้วก็ต้องมีพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระสงฆ์นำพระธรรมออกมาประกาศมาเผยแพร่มาบอกกล่าวให้แก่พวกเราเราจะรู้พระธรรมที่ลึกซึ้งได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันนะเอถ้าพวกเราพูดไปแล้วพระคุณของทั้งสามพระคุณใหญ่ คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีบุญคุณต่อพวกเรามากแต่ที่พวกเรารู้จักบาบุญคุณโทษพระคุณของปิดามารดาพระคุณของประเทศชาติบ้านเมืองพระคุณวัยวุฒิคุณนวุฒิควรวางตนอย่างไรควรทําตัวอย่างไรในการในการเกิดมาเป็นมนุษย์จึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมจึงจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขที่อยู่ด้วยกันเราทําควรทําอย่างไร ถ้าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้หมดหการที่จะอยู่ด้วยกันให้มีมความผาสุกทั้นต้เป็นผู้มีศีล น, นะถ้าคนมีศีลห้าอย่างเดียวเท่านั้นนะ่ะมีศีลห้าข้อเท่านั้นนะ่ะโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุขอย่าฆ่ากันนะอย่าคิดฆ่ากันนะอย่าขาโมยกันนะให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันนะนะสามีภรรยาลูกหลานของใครต่างคนก็ต่างมีอย่ากโกหกกันนะอย่าดื่มสุรานะเพียงห้าข้อเท่านั้นแหละ โรคทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขแล้วถ้ามากกว่านั้นก็ดูใจของตนเองอีกนั่งภาวนาดูใจของตนเองคิดเรื่องอะไรจึงเป็นพิ ช, ชาทิฏฐิคิดอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิคิดอะไรผิดคิดอะไรถูกต้องนํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกบอีกในจิตในใจจากนั้นก็ทําจิตใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิแต่หลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเน้นเรื่องเรื่องของใจเป็นเรื่องใจนะ แต่ทางโลกนะเน้นเรื่องของกายร่างกายต้องรักษาเ น, นีต้องรักษาอย่างนีมแต่พวกพุทธิยานเขาบอกว่ารักษากายรักษาดีขนาดไหนก็รักษาไปเถอะอถึงจะเอาอาหารดีขนาดไหนให้ทานก็เถอะมันก็แก่ไปเรื่อยถึงจะเอาผ้า น, นุ่งหม่มดีขนาดไหนให้มันนุ่งหม่มเถอะมันก็แก่ไปเรื่อยยาทึบดีขนาดไหนก็เถอะเป็นแต่ชลอ้อแทนของว่ายาเท่านั้นเอง ไม่ใช่ห้ามความแก่ความเจ็บความตายเป็นตัวายาอย่าเอาไว้ถึงจะบ้านเรือนใหญ่โตโลโหะฐานโออาลุลลาขนาดไหนก็เถอะให้ร่างกายนั่นอยู่ร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอไม่ไม่หนุ่มไปข้างหน้าไม่แต่แก่ไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นอย่าไปเลี้ยงมากร่างกายเพียงแต่ดูดูดูประคับประงมประคับประครองไปอย่าอีกสักวันหนึ่งก็ถึงจุดจบแต่ให้ดูใจนะพระพุทธเจ้าให้ดูใจ ตัวนี่นแหละสำคัญพระพุทธเจ้าว่ามโนโปุพังขมาธรรมามโนเสรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจให้ดูใจนะใจตัวนี้นแหละสำคัญเรื่องสุขเรื่องรถเรื่องรถมาอีกเรื่องรถคือเราก็ต้องดูแลไปเติมน้ำเติมน้ำมันไปดูแลไปเช็ดถูไปดูแล แต่ว่าโซเฟอร์คนขับรถ น, น่ตัวนั้นสำคัญกว่าคนขับรถสำคัญกว่าสมสำคัญกว่ารถแต่ว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเษฐามโนโมาจากเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะจะรู้เรื่องศิลธรรมจ้องศึกษาเราจะรู้วิชาทางโลกวิชาครูตำรวจทหารพิพากษาอายการ วิชาไหนๆเราต้องศึกษาแต่วิชาธรรมะนี่ยเราจะไปรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่ศึกษานะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษานะเมื่อเราศึกษาเราจะรู้วิธีการนะเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องนะสุตตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ขวรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา น, นั้นถูกหรือผิด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 ได้รับฟังอัดฟังทำฟังหลักเหตุผลใจของเราจะได้รับความผ่องใสนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วท่านบอกไว้แล้วมันสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังสุดตรมยะปัญญาเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแต่พวกเราไม่ได้การไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังแล้วจะเฉลียวฉลาดขึ้นมามันไม่ใช่ของง่ายนะขนาดพระพุทธเจ้าท่านยัง ไปบำเพ็ญอยู่ในป่าทั้งหกปีลองผิดลองถูกจนหาวิธีการในทั้งหกปีเนยท่านยังด้ยตัดรู้ทอพวกเราจะเก่งการขนาดไหนก็เก่งไปเถอะว่าตัวเองเก่งตัวเองฉลาดผลในสูตรมันก็นั่นแหละสิ่งที่เราไม่รู้ต่งเยอะแยะไปไอ้านี่รู้หมดทุกอย่างเรู้อะไรวิธีทำขนมเส้นทำได้ไหมวิธีทำขนมปังทาได้ไหม วิธีทำรถช่องทำได้ไหมมีจึงเยอะแยะอาหารทำได้ทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้ไไดก็โง่ใช่ไหมไอ้สิ่งที่ไม่รู้นะผมรู้ผมเป็นแพทย์ผมรู้หมดทุกอย่างใช่รู้หมดทุกอย่างแต่เฉพาะทางกระดูกรู้เจงไหมหมอตาหมอหูหมอจมูกหมอผิวหนังมีด้วยหมอตับหมอปอดหมออะไรทุกอย่างอีก ก็ไม่รู้อีกถ้าไม่รู้ก็แสดงว่างโง่จะไม่สิ่งที่ไม่รู้เนะสิ่งที่เราไม่รู้ในโลกนี่มีมากต่อมากสรุปแล้วเรารู้ไดเพียงงูปลาปลาเท่านั้นนะจะว่าตัวเองรู้ได้ยังไงตั้งอ า, าคนที่รู้กว่าเรามีตั้งเยอะแยะไปนะเพราะนั้นต้องศึกษาสรุปแล้วต้องศึกษาอย่าไปกลางอย่าไปอวดว่าตัวเองฉลาดนะวิชาในโลกมีตั้งเยอะแยะที่เราไม่รู้นะ มารับพร น, นุโมุตนาให้พร